อย่าไปคิดว่าฉันทำความดีฉันให้ทานรักษาศีลฉันไม่เคยทำให้หมดตายสักตัวแล้วฉันจะเจ็บป่วยไม่ได้นมีหลายคนทีเดียวพอพบว่าตัวเองเป็นนร <c oughs> เรงก็จะอุทานขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นฉัน <c oughs> ฉันุุสสาํำความดีมาตลอดนะ <c oughs> แต่ทำไมถึงต้องเจอแบบนี้ อันนี้ก็เพราะเขาไม่ได้พิจารณาความจริงนะว่าในความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่ยังแม้จะยังไม่เจอจังๆนะแต่ว่าก็ต้องเจอความพัดพราดเป็นคนดีแค่ไหนก็ต้องเจอความพัดพราดอายุยืนแค่ไหนก็ต้องเจอความความพัดพราดนะ ยิ่งอายุยืนมากเท่าไหร่อายุ 80, 1 0ิ้อยหนึ่งก็ยิ่งต้องเจอความพัดพลาดของลูกของหลานของเพื่อนเราอายุยืนจริงแต่ว่าคนหนื่งเขาค่อยล้มตายไปก็ล้วนแต่เป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราผูกพันเพราะฉะนั้นการที่จะมีอายุยืนมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะถ้าหากว่ายังทำใจไม่ได้นะกับความพัดพลาดสูญเสีย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 อายุ9ก้าสกว่าก็ตอ น, ตอนที่เสียชีวิตก็อายุเกือบร้อยตอนอายุเ <90 S 1> ก้าสิบก็มีลูกหลานมาอวายพรก็บอกขอให้ทวดนี้อายุยืนท่านก็ตอบว่าไม่ไหวแล้วหลานเอ๋ยนะเผอรับพรให้อายุยืนมาจนอายุยืนถึงป่านนี้แล้วรู้เลยว่ามันทุกข์ทุกข์มากเหลือเกิน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 ทำใจไม่ไหวหลานเสียชีวิตนะก็ทำใจไม่ได้ร้องไห้มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ก็กเลยตรัสว่าเนี่ยนะว่าถ้าหากว่ามีรักร้อยนะก็มีทุกร้อยนะทุกเพราะว่าความพัดพรา ข, ของคนที่ที่รัก พระังคงก็ตัดว่าเนี่ยเคยถามว่าเนี่ยถ้าให้ถ้าจะอยากมีลูกมีหลานมากๆนี่จะเอาไหมนามิสาเขาก็บอกว่าดีแต่ก็อาจจะมองไปว่ามีมากนะก็ต้องเจอความพัดพรากมากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเราไม่ได้ตระหนักถึงอันนี้ไว้เลยเนี่ย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 อธิษฐานขอให้มีอายุยืนอธิษฐานขอให้มีอำนาจวาสนาโดยที่ไม่ได้นึกว่าแม่รวยแม่อายุยืนแม่มีอำนาจวาสนาแล้วนะก็ต้องเจอกับความจริงสี่ประการนี้แทนที่จะอธิษฐานว่าเออท่านเป็นไงท่านฉันถึงจะไม่มีความทุกข์เมื่อเกิดเมื่อประสบกับความจริงสประการนี้ก็ ก็ไม่ได้มองไม่ได้ตระหนักเพราะคิดไปว่าถ้ารวยแล้วก็จะมีความสุขถ้ายิ่งใหญ่หรือมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีความสุขไปทั้งหมดมันก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขเพราะว่าแม้มีสุขภาพดีแต่ว่าต้องเจอความพัดพลาดสูญเสียของคนลักของลูกของหลานมันก็ทาใจลาบากนะบางคนก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เลย สุขภาพที่มีกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายเพราะว่าอยากจะทำล้ายตัวเองเพราะทนกับความพัดภาคสูญเสียวันนี้ก็ไม่ได้สูญเสียคนรักอะไรนะเพียงแต่ธุรกิจล้มละลายนะก็ทำใจไม่ได้แล้วคนก็ไม่ได้ตระหนักนะก็ยังคิดว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้มั่งมีขอให้มีบริษัทบริวารเยอะๆนี่เพราะเขาไม่ได้ตระหนักถึงความจริง4ประการนี้ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเขา ถ้าคนเราถ้าเราเลือกถึงความจริงสีประการนี้อยู่เสมอก็จะรู้ว่ารวยไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะยังอายุยืนก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปมีบริษัทบริวารมากๆก็ไม่ใช่จะมีความสุขเสมอไปถ้าคนถ้าตระหนักเช่นนี้ก็จะหันมามาปฏิบัติธรำร ม, มาฝึกจิตฝึกใจให้มากขึ้นเพื่อจะได้สร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานความทุกข์ ไม่ใช่ต้านทานความแก่ไม่ใช่ต้านทานความเจ็บไม่ใช่ต้านทานความตายอันนั้นมันมันต้านไม่ได้แต่แม้ความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทําใจยอมรับมันได้อย่างไรนะอันนี้แหละก็จะน ำ, ะนำมาสู่ข้อที่ห้าพิจารณาข้อที่หเป็นเรื่องกรรมทั้งนั้นเลยนะตัวอย่าตอนท้ายบอกว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย อันนี้แหละนะถ้าต้องการจะหลีกนี้จากความทุกข์เนื่องจากแก่เจ็บตายแล้ะพัดพราบไม่มีทางอื่นนะั่นก็ต้องสร้างกรรมสร้างกรรมดีกรรมดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทําบุญให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงการบําเพ็ญภาวนาด้วยทําไมบําเพ็ญภาวนาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้ทานรักษาศีนมันก็ต้องเจอ ความแก่ความเจ็บความป่วยเจอความพัดพราดวันยังคำ่ำแต่ถ้าว่าเราเราภาวนาอยู่เสมอโดยเพราะการระลึกถึงความจริงสี่ประการนี้เนี่ยอภินันทประเวทการระลึกถึงความจริงสี่ประการนะมันช่วยได้มากนะก็เรียกเป็นภาวนาเหมือนกัน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 ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะรับมือนะกับสิ่งที่จะตามมาเราก็ทำได้อย่างมากก็แค่หนุ่งเหนียวเอาไว้ให้เกิดขึ้นช้าที่สุดเช่นหนุงเหนียวให้ความแก่เกิดขึ้นช้าหนุงเหนียวให้ความเจ็บเกิดขึ้นช้าหรือป้องกันมันแต่มันก็มีโรคหลายอย่างที่ต้องตามมาในที่สุดเมื่ออายุยืนโรคความชรานะมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้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 เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ปล่อยวางได้ไม่ไปเสียดายกับสุขภาพที่เคยมีสมัยก่อนอเคยมีความเข้มแข็งแข็ ง, แ, ขงแรงไปไหนมันได้แต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ไดก็ยอมรับมันไม่ไม่มาจมอยู่กับอดีตที่เคยงดงามแต่ก่อนเคยสวยเคยหลอ่อแต่ตอนนี้ก็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 แต่ว่าปกป้องได้ไม่ไม่ร้อซหรอกเพราะว่าทําดีแค่ไหนก็ต้องเจอกับไอ้สประการนี้แหละแก่เจ็บตายพัดพราดแต่ว่าถ้าเราเจริญภาวนาเข้าใจความจริงของชีวิตรู้เท่าทันอนิจจังนะมันก็ให้ความแปรเปลี่ยนมันก็ทําำลายจิตใจเราไม่ได้องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการฝึกปลือ นะก็คือสร้างกรรมใหม่นั่นเองาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่เน้นการกระทา ม, มากเรียกว่ากรรมวาทีเพราะว่าไม่มีพระเจ้านะแต่พอเข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกเนี่ยก็ไปเข้าใจว่าสุขทุกข์ของเราเกิดจากกรรมเก่าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่แพร่หลายมากพระพุทธองค์ตัดว่าอันเนี้ยเป็นลัทธินอกพุทธศาสนา ลัที่นอกพุทธศาสานามีสาประการอันที่หนึ่งคือความเชื่อว่าสุขทุกข์เกิดจากการดลบันแดนของพระเจ้านะอันที่สองคือความเชื่อว่าสุขทุกข์ในปัจจุบันเกิดจากการกระทําในอดีตนะเรื่องเลือดปุบเพกระตะว่านะอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสานาหรืออันนึงก็บอกว่าสุขทุกข์นั้นเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะเป็นความบังเอิญ น น, นก็ยิ่งไม่ใช่พุทธศาสนาใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่พูดว่าใครที่รู้สึวเอออะไรก็อ้างกรรมเก่าที่เป็นอย่างนี้เพราะกรรมเก่าเป็นมีเพราะกรรมเก่าโดยหมายถึงอดีตชาตินี่ไม่ใช่แต่บางครัมันอาจจะไม่ได้หมายถึงกรรมในชาติปัจจุบันด้วยก็ได้เพราะว่าการที่เราเจ็บป่วยนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นพุทธศาสนาบอกว่ามี มีกฎธรรมชาติอยู่นะห้าประการอันที่หนึ่งก็คือพีชนิยามเป็นเรื่องเกี่ยวกฎกฎ<ด><ด>เกี่ยวกับการสืบพันธุนะ์อันที่สองก็อุตุนิยา ม, ยามกฎเกี่ยวกับเรื่องสิ่งภูมิอากาศบางคนเจ็บป่วยก็เพรา ะ, ะเป็นเพราะเชื้อโรคหรือเป็นเพราะยีนอันนี้ก็ลยเป็นเพราะพีชานิยาม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 ฉลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมเหมือนกันนะก็คือว่าเป็นการมองให้เป็นมองให้เป็นก็เห็นประโยชน์ไม่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราถ้าเราฉลาดในการมองเราก็สามารถจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ความพัดพลาดแม้ว่าจะต้องเจอกับวิบากกรรมแนอดีตก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นของดีได้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 นางมาคันธยานี่ก็อิจ ก, ก็เกลียดพระรุจเจ้าเพราะพระรุจเจ้าเนี่ยเคยปฏิเสธนางมาแล้วพ่อของนางมาคันธยาเคยจะยกให้พระรุจเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธนางมาคันธยาก็เลยโกรธฝังใจเมื่อมาเป็นไมริยพุเทเจ้าอุเธนก็หาทางกานแกล้งคนที่ศรัทธาในพระพุทธองค์กานแกล้งหลายอย่างนะใส่ร้าย พระนามาคติยาก็ลอดพ้นมาทุกครั้งเพราะความดีแต่ก็ครั้งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นถูกล้อยเข้าไปในในในปราศาทในคลังผ้าพร้อมกับบริวารอีก500และนามาคติยาก็ปิดล็อกเอาไว้จุดไฟเผาจุดไฟเผาก็เรียกว่าไฟคลอกตาย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 อยากจะปกปิดความผิดก็เลยต้องการทําลายหลักฐานคราวนี้ต้องการเผาให้หมดเลยเผาไม่ให้เหลือเลยไม่ให้เหลือทรากจะได้ตัวเองพ้นผิดครั้งแล้วไม่ตั้งใจครั้งแรกไม่ตั้งใจแต่ครั้งที่สองตั้งใจก็เผานะตามเรื่องว่าพระพิเศษพุทธจ้านี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะแต่ว่ากรรมที่ทําไว้เนี่ยก็ทําให้ในชาติต่อมาก็ถูกไฟคลอกตาย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 นะมีสติดีนะมีสติไวเวลาเจอทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนานก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าที่ทุกขเวทนามันบีบคั้นจิตใจผู้คนก็เพราะว่าไม่มีสติสตก็ไปยึดเอาเวทนาเป็นเป็นเป็นเราเป็นของเราไปเวทนาเกิดขึ้นความเจ็บปวดององเกิดขึ้นก็ไปรู้สึกตามมาทันทีว่าฉันเจ็บฉันปวด นะแทนที่จะเห็นความเจ็บความปวดเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าเป็นความเจ็บของฉันความปวดของฉั น, นะ น, นการจรสตินี่คือการทำให้เราได้รู้ให้เราเห็นเวทนาไม่ใช่เฉพาะทุกขเวทนานะแต่รวมถึงสุ ข, ขเวทนาด้วยก็อย่าไปเพลินกับมันนะสุขเวทนาก็ไม่เพลินไม่มีกำหนัดในเวทนานั้นพระพุทรงค์ตัดว่าถ้ามีถ้ารู้เห็นเวทนา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์แล้วไม่มีกำลัดในเวทนา น, นั้นนะโดยเฉพาะถอาเห็นโทษของเวทนา น, นั้นด้วยคือสุขคเวทนาก็มีโทษนะไม่ใช่แต่ทุกขเวทนาเท่านั้นที่มีโทษสุขคเวทนาก็มีโทษมันทําให้เพลินทําให้ลืมทําให้หลงทําให้เกิดความยึดติดเมื่อเห็นโทษหรือเห็นอาทินวะแล้วเนี่ยไอ้ความความยึดติดอุปทานก็จะก็จะบรรเทา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 มันก็ทุกข์จกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ถึงเวลาจะตายก็ก็ไม่หวั่นกลัวต่อความตายนะพร้อมยอมรับความตายก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาความจริงสีประการอยู่เสมอแล้วก็หมัน่นบําเพ็ญภาวนานะโดยถือว่าสุกขทุกข์มันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่กรรมของเรา่รา็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะ